เกี่นเรื่องมูสาวาชื่อว่ามีโทษน้อยก็เพราะว่าหากรานประโยชน์จํานวนน้อยมีโทษมากหากรานประโยชน์เขาเป็นจํานวนมากทําให้เขาเสียหายมากหรือเสียหายน้อยดูตรงนั้นเป็นประมาณเครือขัสมูสาวาที่เป็นไปแล้วโดยในเป็นอาที่ว่าไม่มีเพราะอะไร บอกไม่มีเพราะไม่ประสงค์จะให้ของของตนแก่คนอื่นอย่างนี้ถือมีโทษน้อยถ้าการกล่าวเบิกพยานเพื่อหักร้านประโยชน์ของคู่ความมีโทษมากนะบนรรพชิตหรือนักบวชมุสาวาทที่เป็นไปแล้วโดยนายเป็นบุรณากระถาพูดให้เต็มความหรือเล่นสำนวนว่าวันนี้น้ำมันในหมู่บ้าน ไหลเป็นแม่น้ําเลยคือในตรงเนี้ยประโยคตรงนี้มาจากในพวินยัยพระเนี่ยเขามีบินตาบาดอาหารแล้วยังมีตาบาด น, น, น้ํามันนะถ้าสมัยยุคก่อนนี่เอามาทาขานี่ในกลุ่มของพระที่ไม่ได้ไปก็ถามมาเป็นยังไงพระคุณจะไปยังไงท่านเป็นยังไงคุณเนี่ยนะบอกโอ้โหวันนี้น้ํามันทั่วหมู่บ้านเลยพูดสมนวนในเขาสนุกนยอย่างนี้เป็นนั้นลักษณะอย่างนี้นะว่าประสงค์จะให้เขาหัวเราะ พราะได้เพราะว่าได้น้ํามันหรือน้ําเนยนั้นน้ำมันน้อยมีโทษน้อยเพราะไปโกหกไหมล่ะก็มันไม่มีเนี่ยจะไปพูดโดยมันมีแต่ใช้สำนวนให้มันตลกขนองขอบขันไปเนี่ยแต่ถ้าเป็นการยกตัวอย่างอธิบายนี่ไม่ใช่นะเช่นว่าเออมาเพื่อจะอธิบายความไม่เข้าใจวัตถุประสงค์แล้วยกตัวอย่างอย่างนี้ไม่ใช่เดี๋ยวไปห า, าเอ๊ะทั้งนั้นพา ย, ยกตัวอย่างนี้ก็เป็นหมดนี่แต่ถ้าหากว่าผู้พูดโดยมีในอทิสิ่งที่ไม่ได้เห็นเลยว่าได้เห็นเนี่ยมีโทษมาก ไม่ได้เห็นเลยแต่กลับมาโกหกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ทีนี้องค์ประกอบเลยนีมีสอย่างองค์ของมูสาวาฏเนี่ยสิ่งของเรื่องราวที่ได้มาอย่างหนึง่งเรื่องไม่จริงห น, นึ่งะแล้วก็ตั้งใจพูดให้ผิดตั้งใจพูดให้ผิดก็คือว่ามีจิตคิดจะมูสาพยายามพูดพยายามพูดด้วยกายหรือด้วยวาจาตามความประสงค์ของตนเองอย่างใดอย่างหนึง่งเพราะความพยายามนี่มีสองประโยค่าเนี่ยกายประโยชนค่าวาจีประโยค่ใช่ไหม ทำกายเขาเข้าใจผิดได้ไหมยกเคลื่อนไหวร่างกายเขาเข้าใจว่าเราพูดเราทำอย่างนั้นนั่นแหละวาจายิ่งชัดใหญ่แล้วก็ผู้อื่นเข้าใจเนื้อความนั้นผู้อื่นมีความเชื่อตามเนื้อความที่พูดหรือที่มูสานั้นทีนี้ในเรื่องของการเกี่ยวในเรื่องของประโยชนคะเนี่ยประโยคมีประโยคเดียวคือสร้างหัตถิกประโยคเท่านั้น ประโยคนั้นเนะพึงเห็นว่าได้แก่แสดงการกริยาผู้ที่จะพูดให้ผิดต่อผู้ที่ผู้ที่อื่นด้วยกายหรือด้วยเนื่องด้วยกายหรือด้วยด้วยวาจานะถ้าผู้อื่นเข้าใจเนื้อความด้วยกริยานั้นกริยานั้นชื่อว่าเนื่องด้วยมุสาวาธกรรมคือเป็นกรรมแล้วในขณะเจตนาที่เป็นกริยาเป็นสมุฐานนั่นเองนะอย่างนั้นเนะ่ยชัดเจนแล้เร็จมุสาวาทแต่ไม่ร่วงกรรมบทก็มีสาเร็จมุสาวาทแต่ร่วงกรรมบทนั้นก็มีนะ มุสาวาทที่ครบองค์ทั้งสนะี่เนี่ยแต่ไม่ทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ลงเชื่อแต่อย่างใดชนิดนี้เป็นแต่เพียงมูสาวาทแต่ไม่ร่วงกรรมบทคือไม่นำไปสู่บสยภูมินะส่วนมุสาวาทที่ครบกรรมบด ท, ทั้งสี่เนี่ยนะครบองค์กรรมบทเนี่ยนะทำความเสียหายกับผู้อื่นที่ลงเชื่อชนิดที่สําเร็จเป็นมุสาวาท ด, ด้วยแล้วก็ก้าวล่วงกรรมบทด้วยสามารถนําไปสู่บสยภูมิได้ ทีนี้ไปโยคาคือความพยายามในการมูสาวาตนั้นคือพยายามมูสาด้วยตนเองกับใช้คนอื่นให้มูสาหรือว่าเขียนเรื่องที่ไม่จริงแล้วก็ทิ้งให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดกรณีที่ทิ้งจดหมายให้เขาประกาศทางวิทยุอย่างนี้เป็นต้นประการต่อมาแบบถาวรคือเขียนเรื่องที่ไม่จริงแล้วก็ปิดประกาศไว้จารึกไว้พิมพ์เป็นหนังสืออัดเสียงเข้าไว้เนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกถาวรนะถาวร มีนะพวกบิดเบือนประวัติศาสตร์เนี่ยเออเป็นมุสาวาศถาวรเนี่ยใครอ่านผิดเขาเชื่อตามนั้นเบ็ดเสร็จเลยมีโทษมากเลยใช่ไหมลองลองไปเขียนเรื่องราวขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งทึ่งไม่จริงเนี่ยแล้วจะมีโทษมากขนาดไหนไออยากยกตัวอย่างเช่นไปเขียนคําสอนเขาไว้บอกว่าถ้าฆ่าคนแล้วจะได้ไปสวรรค์เนี่ยลองเขียนเข้าไปดิมีโทษมากไหมมุสาวาศแต่นั้นน่ยโทษมากไอตอนเองก็โอ้โหเป็นถาวรเลยคนไปทํากรรมแต่ละครั้งเนะี่ยตนเองมีส่วนไหม แค่นั้นสิ่งของเรื่องราวที่ไม่จริงอย่างหนึ่งมีจิตคิดจะทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดนั้นอย่างหนึ่งมีความพยายามด้วยกายหรือความได้วาจาที่ตรงจิตที่คิดจะมูสานั้นอย่างหนึ่งผู้อื่นมีความเชื่อในเรื่องราวที่มูสานั้นอย่างหนึ่งนี่นะส่วนในรายละเอียดให้กล่าวในลักษณะอย่างนี้นะเป็นอปสัสาวชาและมหาสาวชาเนี่ยนะเป็นวาจาด้วยอัตถคถาขยายหน้าไหนมูสาวาดใช่ไหมประโยคค้าพึ่งเห็นได้ว่า ประโยคา้ามีประโยคเดียวคือสร้างหัตถิกาประโยคเท่านั้นเพราะประโยคนั้นมึงเห็นว่าได้แก่การแสดงกริยาของผู้ที่จะพูดให้ผิดต่อผู้อื่นด้วยกายด้วยของเนื่องด้วยกายหรือด้วยวาจามันจะไม่จะประโยคเดียวได้ไงละถ้าหากผู้อื่นเข้าใจเนื้อความนั้นด้วยกริยานั้นกริยานั้นชื่อว่าเนื่องโดยมุสาวาธกรรมแต่เข้ารวมเป็นการกล่าวรวมรวมเป็นครั้งเดียวเลยเป็นการรวมกล่าวแริงจริงถ้าแยกแล้วได้แยกสองนะ ยากให้ถูกในเรื่องของมุสาวาสเนี่ยถ้าไปพิจารณาบอกว่ามูสาวาสนะั้นะโทษมากหรือโทษน้อยนะั้นะนะนะอีกฝ่ายหนึ่งมีความเสียหายทรัพย์สินสมบัติมากน้อยเพียงไรก็ดูตรงนั้นถ้าถ้านในรักไหนงั้นก็ให้สังเกตดูเกี่ยวกันในเรื่องของคํากล่าวของบุคคลที่ไม่ใช่พระอริยะหรือคํากล่าวของบุคคลที่เป็นอันดาภานแปดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเจัดเป็นมูสาวาสประเภทที่มีโทษมากนะ เขาเรียกว่าอนาริยะโวหารสิ amentos, <su> yes. ่งที่ตนไม่เห็นบอกว่าเห็นสิ่งที่ตนไม่ได้ยินบอกว่าได้ยินสิ่งที่ตนไม่พบบอกว่าพบสิ่งที่ตนเองไม่รู้บอกว่ารู้สิ่งที่ตนเองเห็นบอกว่าไม่เห็นสิ่งที่ตนเองได้ยินบอกว่าไม่ได้ยินสิ่งที่ตนเองพบบอกว่าไม่ได้พบสิ่งที่ตนเองรู้บอกไม่รู้เนี่ยลักษณะเช่นนี้เนี่ยการได้กลิ่นลิ้มรสการถูกต้อง ก็จัดว่าเป็นมุสาวาณหมดเลยให้แยกไปตามทาวานในเรื่องของสีเอยเสียงเอยกลิ่นเอยรสเลยนะเือถ้ า, ถาทางทาวานตาก็ทํามุสาวาณได้ทั้ง8อย่างทางทาวานหูก็ทํามุสาวาณได้ทั้ง8อย่างทางทาวานลิ้นทาวานจมูกทาวานกายก็ทํามูาสาวาณได้ทั้ง8อย่างนะพอพิจารณาอย่างนี้แล้วก็แจ้งให้รู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าอันนาเรียโวหาร ผัวหารของอันดภ า, านคำพูดของคนผานเป็นอย่างเนี้ยคนผานพูดได้ตรงกันข้ามชาัดเจนเลยว่ากันอย่าแปลกใจเลยถ้าเราจะไปนึกถึงไปคบค้าสมาคมกับใครที่ไปเจอคนเขาพูดกลับไปกลับมาเนี่ยยศครับก็ไม่ต้องไปแปลกใจแล้วก็ให้รู้ว่านั่นคืออันดภ า, านไม่ใช่คำพูดของกลุ่มของภรรยะว่ากั้นถ้าภารรยาจะพูดแบบนี้ไหมเพราะการพูดในลักษณะอย่างนี้คนที่มีโทษตรงนั้นตกกับตนเองใช่นั้นกรรมเหล่านี้เป็นยังไงรู้ไหม กรรมของมุสาวาสเนี่ยจะโทษเกิดในคุณภาพของปากของฟันของเสียงเสียหายหมดเลยเกิดมาเนี่ยดูทั้งปากเออทั้งฟันเออทั้งเหงือกเอยทั้งเสียงเออจะเสียหายตรงนั้ น, นร้องออกมาก็ไม่ค่อยมีใครอยากได้ยิ น, นยถ้าพูดออกมาก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะฟังเลยเนะ ลักษณะเช่นนั้นประเภทที่มูสาวาดมากกรรมประเภทนี้เนี่ยจะเสียหายในลักษณะถ้าได้ยินเสียงคนนี้ทีไรเราก็โห้ยปวดใจเลยอย่างเงี้ยเป็นคำพูดที่ไม่น่าฟังกรรมประเภทนี้ถ้าส่งผลก็เสียหายอบายทุกขติวิบัตินรกแล้วยังไม่พอเนี่ยท่านในประวัติการตามมาส่งผลก็สร้างความเจ็บปวดอีกสร้างความเจ็บปวดเนี่ยเชื่อแท้แน่เนี่ยแปลว่าเขาไม่เชื่อกันเป็นแถวเลย ขึ้นเวทกรบอกให้เชื่อจะรับประกันเลยนยะเอาหัวเป็นประกันเนี่ยสบาบานได้นะกลุ่มพวกนี้จึงค่อนข้างที่จะโกหกกันได้อย่างเห็นเห็นเลยให้สังเกตดูนะในกลุ่มของบุคคลที่ทำกรรมเหล่านี้จนเคยชินเนี่ยเอาตาเห็นเห็นกันเนี่ยเลยโกหก แบบประเภทที่จับได้ก็โคหกมีคนหนึ่งเขามีคติประจําตัวเขาบอกว่าเห็นก็อยากให้เขารู้เออทาก็อยากให้เขาเห็นเห็นก็อยากให้เขาจับได้เออเห็นก็อยากให้เขาก็รู้รู้ก็อยากให้เขาจับได้ทําก็อยากให้เขาเห็น เห็นก็อย่าให้เขาจับได้จับได้ก็อย่าไปรับถ้าหากจะรับก็รับครึ่งเดียวสมบูรณ์แบบจริงกลุ่มพวกนี้อันนี้จริงๆเลยนะเนี่ยมีสูตรของเขาเลยนะเคยเจอกลุ่มของพวกบุ๋คนเหล่านี้มาเคยมาอยู่ถามว่าทำไมจึงเป็นคนอย่างนี้เขาบอกเขามีคติประจําตัวกันแบบนี้ในบรรดากลุ่มของเขาก็เลยถามว่าคติอะไรคติอะไรถามอุดมการณอุดมการมุสาวาทําอย่าให้เขาเห็นก่อนถ้าเห็นอย่าให้เขาจับได้แต่ถ้าจําเป็นที่จะต้องรับวะ เอาเคือเดียวนี่ย น, นิี้เคยเจอคนประเภทนี้เราจะเจ็บปวดเลยนะมูสาวาฏนะถ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนี่นะไม่กล่าวมูสาวาฏประเภทอะไรเขาบอกว่ามูสาวาฏที่ทำให้คนอื่นหลงเข้าใจผิดแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายได้นั้นนะ พระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่กล่าวแต่มุสาว่าชนิดที่ไม่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟังนั้นเน่ยพระโพธิสัตว์หรือบุคคลที่เป็นผู้โพธิสัตว์ทั้งหลายจึงจะกล่าวนะจะเป็นอย่างนันก็ให้ไปตรวจสอบพิจารณาดูนี่เป็นอย่างนั้นเองพระโพธิสัตว์จะไม่กล่าวคําพูดที่ทําให้คนอื่นเสียหายเลยเว้นไว้แต่คําโกหกที่คนอื่นไม่เสียหาย <S <S ก็มันโกหกก็มันพูดเท็จจะไปบอกไม่เ ท, ท็จได้งไงต่อมาปิสุนาวาจาปิสุณะบวกอะไร บวกวาจาปีสุณ า, าก็แปลว่าการบทให้ละเอียดก็ได้นะการบทให้ละเอียดหรือการทำให้แตกกระจัดกระจายปีสุนานี่คือการบทนะการบทให้ละเอียดการทำให้กระจัดกระจายวาจาก็แปลว่าคำพูดฉะนั้นเขาปีสุนาวาจานี่มือรวมแล้วหมือแปล ว, ว่าไงเนะี่ยการพูดที่บทความสามัคคีให้แตกแยกกระจัดกระจายเขาสามัคคีกันอยู่ดีๆไปไปทำให้แตกแยก หรือถ้าดูในอัธกถาสัมมาทิฏฐิสุดก็วาจาที่เป็นเหตุให้หัวใจของบุคคลผู้ที่ตนพูดด้วยเกิดความรักตนและเกลียดชังคนอื่นเชื่อปิศาวาวาจาวัตถุประสงค์เพื่อทาให้เขารักตนเองแล้วก็มีการที่เกลียดคนอื่นแล้วก็แตกล้าวกับบุคคลอื่นส่วนวาจา ที่เป็นเหตุให้ทำให้ตนเองบ้างผู้อื่นบ้างหยาบคายและวาจาที่หยาบคายนั้นคือไม่เพลอโสดหรือไม่ชื่นใจผู้ฟังนี้ชื่อว่าผลสวาัจาวาทะที่เป็นเหตุแ ห, ห่งการเจราจาเพอ้อเจอ้อหรือไร้ประโยชน์ชื่อว่าสัมภาราะตัถึงเจตนาที่เป็นมูลเหตุของการกล่าวคำหยาบและคำเพอ้อเจ้อเหล่านั้นก็ได้นนามว่าเป็นปิสุนาวาจาเป็นต้นอยู่นั่นเองและในที่นี้ประสงค์จะเอา เจตานานั่นแหละแม่พอพูดถึงในเรื่องของปีสุนาวาจาเนี่ยนะแล้วดูตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆกันนีปิสุนาวาจานี่ยก็มีวาจาที่พูดทําให้คนแตกร้าวกันโดยมากวัตถุประสงค์ก็คือทําให้ตนเป็นที่รักในคนอื่นเป็นที่รังเกียจนั่นเองฉะนั้นเจตานาของบุคคลผู้มีจิตเศร้าหมองเนี่ยนะที่เป็นสมุดฐานของกายประโยชนคาโละอปยีคือความเพียรพยายามทางกายแล้วก็ทางวาจาถ้าพิจารณาตรงนี้นะปีสุนาวาจาเนี่ยนะ เชื่อว่ามีโทษน้อยหรือผู้ถูกทําให้แตกกันนั้นมีคุณธรรมน้อยมีโทษมากเพราะผู้ที่แตกกันนั้นมีคุณธรรมมากไปดูองค์ประกอบของปิตุนาวาจาองค์ประกอบมีสีประการนะผู้ต้องถูกทําลายนั้นเป็นคนอื่นผู้ที่ทําให้ถึกถูกแตกแยกนะคนอื่นจากตนเองเลยนะความมุ่งหน้าจะทําลายด้วยความประสงค์ว่าคนเหล่านี้จะแตกแยกจากกันนี่เป็นอุบายนะ หรือเป็นความประสงค์ว่าเราจากเป็นที่รักเป็นที่คุ้นเคยของเขาด้วยอุบายอย่างนี้นี่รวมเป็นองค์หนึ่งองค์นี้มีเจตนามุ่งหมายจะให้แตกแยกจากกันทีนี้ความเพียรพยายามจากความตั้งใจนั้ น, น, นทำความเพียรให้เขาแตกจากกันแล้วก็การที่เขาเข้าใจเนื้อความนั้นคือผู้ฟังรู้ความหมายว่าไงองค์ของปิสุนาวาจาโดยทำความเข้าใจคือว่า ทำให้แตกจากกันอย่างหนึ่งมีเจตนาให้แตกจากการมีความประสงค์ให้รักตนทําความเพียรพยายามให้แตกจากการผู้ฟังรู้เรื่องรู้เนื้อความเห็นคําพูดนั้นปีสุนาวาจานี่ก็แปลว่าคําพูดส่อเสียดนะนีส่อเสียดทําให้เขาแตกแยกออกจากกันแล้วก็เป็นเหตุแห่งการที่จะก้าวล่วงกลบมาบ่นไ้บางคนไม่เคยรู้นะคำว่าปิสุนาวาจานี่ว่าเสียหายยังไง ทีนี้เกี่ยวในเรื่องของกายประโยคน์าแลวา้ววจีประโยคนาเนี่ยหรือกายประโยคน์วจีประโยคเนี่ยนียการส่อเสียดด้วยกายเนี่ยแสดงกริยาท่าทางให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรู้รู้ความหมายของตนเองเลนะ เ, เช่นไงสามีภรรยาคู่หนึ่งก็ว่างั้นสามีออกไปทํางานภรรยาแอบไปเล่นไพ่เล่นไพ่ที่ไหนที่บ้านใกล้เลนเคืลสามีกลับมาไม่เห็นภรรยาถามเดถามญ า, าติที่อยู่ญาติไม่ชอบภรรยาอยู่แล้วใช่ไหม ต้องการจะให้สามีแตกกับภรรยาแต่ไม่ได้บอกได้วาจาแต่ใช้กริยาชี้ให้รู้ว่าภรรยาไปเล่นไพ่ยอยีกข้างนู้นไม่พูดเลยนะเอะเห็นภรรยาผมไหมรีบไปแล้วไปก็แตกราวกันนี่คือวัตถุประสงค์ที่คิดเนี่ยชี้ไว้ไปดูเองดีกว่าเราไม่พูดเหมือนเป็นคนดีนะนี <laughs> พอไปพ อ, พอไปก็ได้เรื่องเลยแตนี้ได้เรื่องอะไร <laughs> แตกแยกทันทีส่วนวัจีประโยชคะก็คือการสอดเสียทางวาจาการพูดให้แตกร้าวกันก็ เพื่อวัตถุประสงค์ให้มารักตอนเนี่เออแต่ให้สังเกตดูเนืปิสุณาวาจาเนี่ยนะจะมีอยู่ว่าต้องรักเราวัตถุประสงค์ต้องมารักเราเนี่พวก น, นั้นไอ้ตรงนี้ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าทําให้เพื่อนเขาแตกแยกจากกันปิสุนาวาจานี่บางครั้งถึงอนันตริยกรรมได้ด้วยนะทำให้สงแตกแยกจากกันไปพูดยุยงให้สงแตกจากการเป็นสองฝ่ายแล้วก็ไม่ร่วมสังฆกรรมร่วมกันโอ้จะเป็นกรรมหนักขนาด น, นึงส่อเสียดยไหมเรื่องนี้ เป็นไม่เป็นเป็นกรรมหนักด้วยเอย๊ที่พูดพูดมานี่ใครเคยทํากรรมประเภทนี้บ้างไหมนี่เกี่ยวในเรื่องของปิสุนาวาจามีวาจาไม่แน่แน่นี่เนี่ยจะเป็นปัจจัยแห่งการทําให้แตกแยกกันแล้วก็จะคบกับใครก็คบได้ไม่นา น, นสมาคมกับใครไม่กี่วันไม่กี่เวลาเดี๋ยวก็ในที่สดุดจริงๆก็เป็นเหตุแห่งการแตกกร้าวกันแล้วที่สุด จ, จริงๆก็คือกลุ่มพวกนี้จะไม่ค่อยถาวัวเลยว่าเวฟวกลุ่มของปีสุนาวาจานี่เนี่ยน่ากลัวนะกรรมนี่ ทำในลักษณะตัวเนี้ยเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการที่กล่าววาจาลักษณะทําให้คนแตกแยกกันไม่สามัคคีกันไม่ปลองดองกันเนี่ยนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยคนคเหม่นกันในที่สุดจริงทําให้ตนเองไปเป็นที่รักนี่อู้น่าบางคนเนี่ยนะให้พิจารณาดูสิว่าในปัจจุบันเนี่ยไปอยู่ที่ไหนวงแตกที่นั่น คือไปอยู่แล้วพบเนี่ยแค่คนนี้เดินมาทุกคนแตกแยกกันมเลยอย่างเช่นว่ากำลังจะประชุมสมาคมกันอยู่ดีๆเนี่ยขอถานทุกคนเดินเข้ามา เ, เห็นไหมโทษของปิสุนาวาจาที่เขาเคยทำมาแตกมันไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เนยบอกว่าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยวงแตกที่นั่นและว่างั้นเหมือนก็นเอาไไปหยอดในเอาไปทิ้งลงในรังพึ่ง แตกหลังหนีอย่างนั้นเลยทีเดียวในโทษของปิตุนาวาจายเป็นเหตุแห่งการแตกแยกหมดมีอะไรแตกแยกหมดนยแตกแยกกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องสามีภรรยาแตกแยกกันเกลี้ยงเลยนี่เป็นอย่างเงี้ยกรรมมันส่งผลมันเป็นอย่างเงี้ยเขาให้พิจารณาว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่ประสานทําให้เขาไม่สบายใจ แต่ไม่ใช่ว่าไปแล้วเขาเกรงใจนั่นคนละประเด็นกันเลยนะคนละประเด็นประเภทที่เขาเหม็นกินหน้าจริงๆเขาเกลียดเพราะว่าเคยสร้างเหตุปัจจัยไม่ดีมาเพื่อจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเขารักใช่ไหมพอโทษอันนี้โทษในวติการนะในปฏิสนธิการตกรกเรียบร้อยแล้วอบายทุกขติวิบัตินรกเนี่ยกรรมในลักษณะเช่นนี้นี่แหละก็ลาวเป็นผู้ทําทั้งนั้ น, เ, นเธอต้องบอกว่า เหตุที่เป็นเหตุให้อายุสั้นฆ่าสัตว์นะเหตุที่ทําให้อายุยืนคือไม่ฆ่าสัตว์เหตุที่ทําให้มีโรคภัยแค่เจ็บมากก็โรคภัยแค่เจ็บน้อยผิวพรรณงามผิวพรรณซามอํานาจมากอํานาจน้อยมีโภค่ามากโพค่าน้อยตระกูลต่ําตระกูลสูงเนี่ยก็ไปพิจารณาดูนะมีปัญญาซามมีปัญญามากอันนั้นล้วนจะเกิดจากเหตุปัจจัยจากกรรมที่ทํามาทั้งนั้นเดียวกันอันนี้แหละกุศลกรรมบทและกุศลกรรมบทนี่แหละต่อไปพุทธสวาจา เจตนาที่หยาบคายโดยส่วนเดียวที่เป็นสมุฐานอย่งกายประโยคะและว่าวาจีประโยคะพรุษะบวกวาจาพระรุษนะแปลว่าอย่างหยาบวาจาแปลว่าคำพูดนะีรวมกันแล้วก็แปลว่าพรุษาวาจาก็คือว่าคำพูดที่หยาบการด่าการแช่งคำพูดอันใดย่อมทําให้เป็นของหยาบฉะนั้นคําพูดเช่นนั้นเช่นว่าชื่อว่าพระรุษาหรือว่าได้แก่พรุษาวาจาการด่าการแช่งเนะ โทสะเจโทนะสะนี่ยขาสงสารคตในจิตใจในขณะนั้นเนะี่ยเป็นเหตุแห่งการด่าหรือสาบแช่งทั้งหลายเนี่ยนะประเภทพุทสวาจาจเนี่ยนะคำพูดที่ทําให้เดือดร้อนแผ่ไปเนะี่ยคำพูดอันใดเนะี่ยทำให้เดือดร้อนแผ่ไปถึงหัวใจคือได้ยินคําพูดอย่างนี้แล้วมันเจ็บก็ไปในหัวใจเลยจิตใจร้าวลานเลยแบบนนะัสะดุ้งสะเทือนเลยนะด้วยวาจาด้วยด้วยการเขียนหนังสือก็ได้นะพระประโยคค้ามีทั้งสองอย่างพุทสวาจาเนะี่ย แกมชัดคำพูดนั้นนะในที่นี้เขายกเรื่องข้ามาเด็กคนหนึ่งไม่เชื่อถ้อยคำของมารดาเข้าไปในป่าใช่ไหมมารดาไม่สามารถใ้กลับได้จึงด่าบอกว่าให้กระบือดุร้ายเนี่ยหุดหดมึงให้ตายหวังไงเถอะภายหลังกระบือนนั้นปรากฏแกเขาเหมือนอย่างที่แม่ว่านั่นแหละเด็กทําสัจกิริยาอธิษฐานในใจเลยบอกคุณแม่ของข้าพเจ้ากล่าวอย่างใดด้วยปากขอเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าจิตใจถ้าจิตน่ะคิดด้วยนะียถ้าจิตของแม่คิดอย่างนั้นด้วยคอยเป็นอย่างนั้นกระบือ น, นั้นก็หยุดชะงักเหมือนถูกผูกไว้เลยแสดงว่าพูดแต่ปากแต่ใจนั้นไม่ได้ทําร้ายลูกเป็นไปงั้นจริงๆอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เป็นพรตสวาจจ องค์ของพรุศวะประโยควจีประโยคค้าีนเป็นเหตุแห่งการตัดเสียซึ่งความรักคำที่พาด ถ, ถึงสิ่งที่รักดังที่พารานามันนี้ก็ไม่เป็นพรุศ ส, สาวาจนะไม่เป็นพรุศวาจาเพราะผู้พูดมีจิตอ่อนโยนบางครั้งพ่อแม่ด่าลูกๆเนี่ยนะ ไม่ไม่เรียกขอให้พวกโจรฟันพวกเองให้ขาดเป็นท่อนท่อนอมี่คับบุญเราเห็นเยอะนะพ่อแม่ด่าลูกเนี่ยนะดา่าแรงแรงเลยซ้ำไปเจตนาผู้พูดเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูก่อนดูองค์ประกอบเกี่ยวในเรื่องของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ด่าลูกศิษย์ ก็ในทํานองเดียวกันดาแรงนะอันเตวาศิกสัตธิปหาลิกผู้อยอาศัยทั้งหลายพวกนี้จะพูดอะไรกันได้ก็ไม่มียางอายไม่มีความเกรงกลัวสู่เจ้าทั้งหลายจงไล่เข้าไปเสียแต่ถึงกันนั้นอาจารย์และอุปชานั้นก็ปัฒนานสมบัติคือประรลาดนาอาคม คือปรารถนาบอกว่าให้ลูกศิษย์หรืออันเตวาศิษย์ของตนเองเนี่ยนะสัตธิยุหาริศของตนเองเนี่ยมีความฉลาดมีความเข้าใจภาพเพียรในการเรียนหรืออธิคมอธิคมในที่นั้นเป็นชื่อของการบรรลุธรรมบรรลุโสดาปฏิมากสกาธาคายมารนาคายมักและหาธรรมมีพระนิพพานเป็นอรม์หงฉะนั้นครูบาอาจารย์เวลาจะด่าหรือตําหนิลูกศิษย์ลูกหาขับไล่ออกไปเนี่ยแต่ในใจนั้นไม่ได้ มีวัตถุประสงค์ในการที่จะให้คาดเคลื่อนจากอาคมคือปริยัตและการเข้าถึงอธิคมคือการบรรลุธรรมลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่เป็นพุทสวรรัสฉะนั้นถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตำหนิด่าว่ากล่าวเนี่ยก็ให้ให้เข้าใจว่าไม่ใช่ พระพุทธเจ้ายังเคยตำหนิใช่ไหมบอกว่าท่านทั้งหลายมาอิสูในสำนักของเราเนี่ยมีเสียงอึกกระทึกขึกโคมเนี่ยยังกะชาวประมงว่ั้นเหมือนกะชาวประมงหาปลาท่านไม่ควรอยู่ในสำนักของเราท่านจงไปไล่เลยบอกท่านจงไปเอาไปหีไปเลยแต่พระที่ไปกันน่ได้ประโยชน์หมดเลยไล่อย่างนั้นไล่เพื่อมีวัตถุประสงค์เอถ้าไล่พวกเราไปหมดไปจริงๆเลยนะไปไม่กลับเลยนะ ฉะนั้นคำพูดในลักษณะเป็นวจีประโยคนานี่นะวจีประโยคไม่เป็นพระรุษวาจาเพราะผู้พูดมีจิตอ่อนโยนนะเออคำพูดตรงนี้ดูหยาบหรือไม่หยาบดูตรงนี้บางคนพูดอย่างเงี้ยแต่พูดด่าอย่างรุนแรงให้เสียหายเลยนะ แล้วใจก็เป็นด้วยไอ้อย่างนั้นนะหรือพูดดา่ารุนแรงแต่จิตใจไม่นั่นไม่เปลี่ยนหรือพูดอ่อนโยนแต่จิตใจรุนแรงอันนั้นเป็นพ ร, ร, รนะุศวานนะอย่างยกตัวอย่างนอนนะให้หลับให้สนิทและหลับแล้วไม่ต้องตื่นนะอะไรเงี้ยหลับไปเลยหลับแล้วไม่ต้องตื่นนะนะ้าคาพูดบางอย่างหยาบแล้วทาให้หัวใจสะเทือนแล้วถึงขนาดฆ่าได้นะะเช่นการเขียนจดหมายของขครของของเบ้งนะเขียนไปให้ใคร เขียนจนหมายไปบอกว่าคนอย่างท่านเนี่ยถ้าหากว่าเป็นระดับแม่ทัพนายกองเนี่ยไม่ควรที่จะมาเป็นได้แล้วควรจะหาผ้าถุงของผู้ผู้หญิงไปนุ่งนึงคำพูดอย่างเงี้ยคนอ่านแล้วอ่านปุ๊บจะร้องไห้เลยนะ บางทีเนี่ยอ่านพบน่ยฆ่าตัวตายเลยเงี้ยมนะยยีนี่ยกิวยี่เนี่ยใช่ไหมโดนของแบ่งเขียนจนหมายฉบับหนึ่งเนี่ยให้ไปอ่านแล้วอ่านเบรเซ็จแล้วก็อักเลือดตายเลยเงี้ยเยาะเย้ ย, ะ ย, ะ ย, ะยะถากถางคําพูดให้กั้นใจตายจะอยู่ไปก็อายเงี้ยอายฟ้าดินอาย บ, บัพชนเลยต่างๆก็ว่าไปใช่ไหมหยาบมาอย่างเงี้ยมันล้าลานหัวใจก็าขนาดน่นนะคำพูดลักษณะนี้พูดแล้วทําให้เขาตายได้องค์ของพฤะุสวาจาคือมีความโกรธมีพูดถูกดา่า กล่าววาจาด่านี่เสียหายเลยก็ต้องดูว่าคนที่เราไปว่านะั้นะนะนะอต่อไปคือสัมผัพปราปะสัมผัสปราปะเออเดี๋ยวเดยอย่าพูดพูดถึงอโกสวัตถุหน่อยวาจาที่ใช้ด่ากันเนะีนะ่ยนะเชื้อชาติต่ำสูงอย่างหนึ่งเชื้อต่ำสูงนะั่นอย่างหนึ่งสกุลต่ำสกุลสู ง, สงวิชาต่ำวิชาสูงเนะี่ย โรคภัยไข้เจ็บรูปร่างสันฐานการด่าลักษณะชาติเนี่ยด่าเกี่ยวกับเชื้อชาติเนี่ยชาติไพ่ชาติขี้ข่าชาติยาจกนี่เขายกตัวอย่างนะชาตินักเกลงเป็นต้นเนี่ยลักษณะนี้คือด่าแดกดันนี่ยพูดดี8ปดสระแขาทีนึงผู้ดี8ปดสระและขะแ ล, ะลักษณะชาติท่าน้ําแหละด่าเช่นด่าไอ้ทึมไอ้ทุยเงี้ยนะลักษณะกําด่าเนี่ยก็เอาชื่อนั้นมากล่าวด่าถ้าโคตรก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของสกุลหัวขโมย สกุลล่อลวงสกุลมักง่ายถ้ากรรมเกี่ยวกับอาชีพการงานก็คือว่าทํางานอะไรแม่ทำงานอะไรพ่อทำงานอะไรก็ได้เองทำงานอะไรเนี่ยชาวสวนชาวไร่าชาวนาสปิในที่นั้นก็คือวิชาขับรถเนยวิชาตัดผมวิชาปั้นโอคงวิชาการต่างๆนี่เขาเรียกด่าวิชาการอาพาธก็คือด่าเกี่ยวนนเรื่องของโรคในโรคที่เขาใช้ถามกันแนอะไรเนี่ย กุดทังคันโทกีลาโสเป็นต้นโรคเลื่อนโรค ก, กุดทังโรคกา ก, ากโรคเกลือนเนี่ยด่ากันไหมตอ น, นัีนสมัยปัจจุบันนี้ม่ด่าโรคเอดียนะ่นึ่ด่างนี้ก็เจ็บปวดนะเกี่ยวกันในเรื่องของรูปร่างสันถานก็อ้วนเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสก็คือว่าเจ้าโทษะเจ้าลิษยามีโยมคนหนึ่งก็มาเล่าัาโตไปหาพระพระดาวตามไปกับสามคนพระเรียกตั้งชื่อว่า นี่โลภะนี่โทสะนี่โมล้อเลยเขเล ย, เลยได้ชื่อนั้นมาเลยแล้วมาพิจารณาใหม่ๆก็โกรธหัวพาดหัวเวียงว่ามาคิดเจรณาอีกทีว่าจริงเลวันนึงเรามันโลภเก่งจริงๆเลยเขาเรียกโลภะนี่ดีจังอีกคนหนึงขี้โกธานิดหน่อยไม่ได้ก็เียนี่ด้านกล่าวทางกายทางวาจาเนะี่ยอันนั้นเป็นพุทสวสัดโทษมากโทษน้อยอย่างไรก็ดูเป็นบิดามารดากลัวจารย์หรือผู้มีศีลธรรมเป็นต้น ประการต่อมาคือสัมผัสปราปะนี่ไปแบบรเร็วเลยนะสัมผับวกปราปะสัมผัก็แปลว่าอะไรการทําลายประโยชน์หรือความสุขปราปะในที่นั้นก็แปลว่าการกล่าวความจงใจที่เป็นอกุศลที่เป็นสมูทฐานย่งกายประโยคและกัวจีประโยคที่ยังผู้อื่นให้เข้าใจคําพูดที่ไร้ประโยชน์ชื่อว่าสัมผัสปราปะตรงนี้ยังไม่ได้กําหนดลงอริยสัจเลยนะเนี่ยแต่ละข้ออย่าลืมนะว่าต้องกําหนดลงอริยสัจได้ เดี๋ยวไปสรุปอีกทีนะทีนี้สัมผัส พ, พราปะนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้นะบอกว่าวาจาอันใดย่อมทําลายประโยชน์และความสุขต่างๆเสียฉะนั้นวาจานั้นชื่อว่าสัมผันะทีนี้การกล่าววาจาที่ทําลายประโยชน์และความสุขต่างๆเสียด้วยเจตนานนั้ฉะนั้นเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวทําลายประโยชน์และความสุขต่างๆนั้นชื่อว่าสัมผัส พ, พราปะการกล่าวด้วยมีเจตนาและความจงใจที่จะกล่าวด้วยใช่ไหม การพูดในลักษณะอย่างนั้นเป็นสัมผัสปลาปะเนี่ยการกล่าววาจาที่เป็นสัมผัสปลาปะนั้นหมายถึงการกล่าวเรื่องราวที่เหลีวไหลไม่เป็นสาระเรื่องหนังโขนละครหรือพูดจาตลกขบขันต่างๆการแสดงแบบหนังโขนละครนะนักประพันธ์ที่เขียนเรื่องต่างๆเหล่านี้จัดเป็นสัมผัสปลาปะทั้งสิ้นนะทำไมถึงเป็น ต้องดูว่าประโยชน์ด้วยนะบางคีเนี่ยทำขึ้นมาไม่ได้มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรเลยเนี่ยเอาเป็นเอาสาระเป็นประมาณสาระที่จะทําให้เกิดบุญเกิดบาปเพราะไม่ได้เป็นประโยชน์แต่ทําให้เพลิดเพลินไปชั่วคราวเท่านั้นมาทําให้หัวเลาะคืนขึ้นคลืนเนี่ยแล้วกลับไปบางทีทําให้โกรธหัวฟาดหัวเวียงได้แค่นั้นแล้วก็กลับไปบทํา ใ, ให้โลภอยากได้นั้นได้นี้แล้วก็กลับไปการแสดงลักษณะเช่นนี้องค์ประกอบของสัมผัปลาปากก็คืออกุศลเจตนาที่ไปเหตุแห่งการเก่าสิ่งที่ไร้ประโยชน์นะ ตั้งใจกล่าววาจาที่ไม่เป็นประโยชน์การกล่าววาจาที่ไม่เป็นประโยชน์นีลักษณะอย่างนี้จึงเป็นสัมผัสผลมีโทษมากหรือโทษน้อยเนี่ยนะเพราะคําพูดมีมีอะไรมีอาเสวนาอ่อนอาเสวนาคือการเสพนะความเคยชินน้อยมีโทษมากเพราะอาเสวนามากความเคยชินมากโอ๊ยบางคนเนี่ยเจอหน้าแล้วมีแต่ไร้สาระนะสังเกตไหม ในกลุ่มที่กดูตลกทั้งหลายจะว่าไงในกลุ่มที่ดูตลกทั้งหลายอยว่าไ ง, ง, าาไงคำพูดที่เป็นเกี่ยวในเรื่องของดูดิราัชฐานกถาเนี่ยคำพูดที่หาสาระไม่ได้พูดเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระราชามหากษัตริย์เรื่องโจรเรื่อง อามาตราชมนตรีเรื่องทหารตำรวจเรื่องภัยต่างๆยุทธศาสตเรื่องอันนี้เกี่ยวกับเรื่องพระนะที่ท่านห้ามเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องกินหอมเรื่องวงญาติพูดแล้วไม่ได้น้อมหาพระธรรมนะนุมนพูดในเรื่องเพื่อจะให้ติดต่างๆเนี่ยเรื่องจังหวัดชนบทเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องหนุ่มเรื่องสาวเรื่องความกล้าความไม่กล้าถนนหนทางเรื่องญาติล่วงลับไปไม่ล่วงลับไปเรื่องราวร้อแปดต่างๆเรื่องโลกและผู้สร้างโลกเรื่องมหาสมุทรผู้สร้างมหาสมุทร ความเจริญและความเสื่อมเรื่องป่าเรื่องภูเขาต่างๆแต่พูดไปเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินนะให้ชมนกชมไม้ชมมูเขางดงามนะเขดีอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้น้อมก็หาพระธรรมเลยไม่ได้น้อมก็หาความไม่ความเป็นผู้มีศีลมีอะไรต่างๆแต่ถ้าพูดไปแล้วยงให้เห็นว่านี่คนคนนี้ทํากุศลรกรรมมาคนคนนี้ทําอากุศลกรรมมาอย่างนี้ไม่เป็นนะครับสำพะปราปะนี่เป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าตรัสเขาไว้บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเมื่อได้มีการพบกันระหว่างสององค์แล้วการงานที่ควรประพฤติสองอย่างคือการกล่าวถ้อยคำที่เกี่ยวกับธรรมะหรือมิฉะนั้นก็ต่างคนต่างนิ่งเสียถึงจะไม่เป็นเพราะกลัวอะไรกลัวจะเป็นสัมผัส พ, พราปะ <Okay. S 1> นั้นพวกเราทั้งหลายเวลากล่าวอะไรต่างๆเหล่านั้นเจอหน้ากันก็ตั้งความรู้สึก่างนี้ไว้ตั้งความรู้สึกบอกว่าโอ้เกี่ยวกัเรื่องของมูสาวาปิสุนาวาจา พุทสวาจาสัมผ่าวพราปะทั้งสี่อย่างนี้เชื่อเป็นวจีกรรมนะเพราะอะไรเกิดในวจีทวารคือมีวจีวิญยัติเป็นส่วนมากคําว่าที่วจีทวารในที่นี้มุ่งหมายเอาวจีวิญยัติฉะนั้นนะพระนรุท ธ, ธาจารย์ก็ขยายไว้เหมือนกันนะท่านขยายบอกว่าสัทธาวาจาเสียงที่พูดขึ้นมาวิรัติวาจาการเว้นจากการพูดเทศเป็นต้นเจตนาที่ทําให้วิวญยัตรรูปนะเกิดขึ้นแล้วก็เจตนาที่ทําให้ กิริยาการพิเศษที่เป็นไปอยู่ในการผู้ที่สามารถทำให้ผู้ฟังรู้ความประสงค์ของตนเองเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าโจปนาวาจาเป็นวจีวิญยัตนะเป็นประตูแห่งการเกิดขึ้นของกรรมทั้งสี่อย่างถ้าทางกายก็เป็นโจปนากายะเป็นวจีเป็นกายวินยัตเป็นประตูของการเกิดขึ้นขการการะทากรรม3ามอย่าง ทางกายที่ผ่านมานีทางวาจาก็เป็นว จ, จีกรรมเป็นประตูแห่งการทํากรรมถ้าใครยังมีวา จ, จีกรรมสีอย่างหรือว่ากายกรรม3ามอย่างก็เริ่มมีปากทางมีประตูมีช่องทา ง, า ท, า ง, า ท, างที่จะทําให้บุญหรือบาปเกิดเรามีปากเอาไว้เพื่อจะทําให้บาปวิ่งผ่านบุญวิ่งผ่านแต่ไม่ใช่ผ่านธรรมดาผ่านแล้วให้ผลด้วยต่อไปเวลาจะเปิดประตูปากก็อย่าให้เป็นมืสาวาท ปีสุนาวาจาพระุศวาจาสัมผัสพราปะอย่าให้เป็นอย่างนี้อย่าให้วัจีกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลกรรมทางวาจาเนี่ยมันวิ่งผ่านเพราวิ่งวิ่งผ่านนี่อะไรโอ้ยทุกข์มากถ้ายิ่งไปวิ่งผ่านในวัตถุสิ่งของที่มีโทษมากทุกข์ก็มากเกี่ยวกันในเรื่องของสัมผัสภาราปะนี่โทษจะเป็นยังไงถ้าเห็นปัจจุบนันนี้เคยเห็นคนพูดคนเดียวไหมไม่เคยอยากฟังเลยนะพูดไปเถอเพ้อไปนั่นแหละ ทำธุรกิจสองอย่างนะถ้าอยู่สองคนขึ้นไปถ้าจะพูดก็ให้พูดพระธรรมก็แล้วกนะันแต่ถ้าไม่พูดพระธรรมให้ต่างคนต่างนิ่งนะถือพระพุทธพจน์คําสอนของพระเจ้าบอกว่าเวลาใครจะมาคุยเด้อถามที่จะคุยเรื่องอะไรตารบลงสู่พระธรรมไหมอกปารลบถ้าปารบลงสู่พระธรรมสนทนาทันทีแต่ถ้าคุยเรื่องอื่นที่จะไม่น้อมเข้าหาพระธรรมบอกขอหนึ่งดีกว่าก็าบอกอึดอัดวนก่อดน่ะ น, นะวันนึงสอบนั่งอยู่บนรถนี่ ฉันเห็นชัดเลยสำหรับปลาป่าเนี่ยแหมลําบากจริงๆมีคนบังคับเนี่ยเราก็อยากจะพูดตัวเองถูก บ, บังคับไม่ให้พูดไอเราก็เน้อเราก็ไม่อยากจะให้เขาบาปใจจริงๆริๆเป็นอย่างนั้ น, นไม่อยากให้บาปอยากให้ปารพธ ร, รมและให้จิตเป็นธรรมนในจิตเป็นกุศลไอ้นี้ป่ารพธรมแต่จิตอกุศลไม่เคยเกิดเลยเนี่ยพูดไปทั้งมือทั้งไม้ยกหมดเลยเยอภปการต่อมาคืออภิชฌา อภิชชาเนี่ยนะเขาแปลเฉพาะหน้าแปลว่าคิดถึงเชยนั้นแปลว่าคิดถึงอาพิชชาเขาแปลว่าคิดถึงเฉพาะหน้าก็ได้หมายถึงคิดเพ่งเล็งในทรัพสมบัติของผู้อื่นเฉพาะหน้าในคําว่าอยากได้อะอยากได้อะไรทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเฉพาะหน้ามุ่งหน้าเพ่งเล็งเฉพาะพันธะของผู้อื่นแล้วก็น้อมบรรท้นั้นมาเพื่ออะไรน้อมพันธะนั้นมา ฉะนั้นลักษณะของอภิชาธรรมชาติที่เป็นเหตนการคิดถึงท ร, รัพสมบัติของผู้อื่นเฉพาะหน้าธรรมชาตินั้นเรียกว่าอภิชานะดูสภาวะของอภิชาของก่อนว่าความพอใจอยากได้โลภนะเนีเป็นชื่อของโลภนะเนีโลภะน่ะเขาแยกเป็นสองประเภทอยากได้โดยชอบทำอยากได้โดยไม่ชอบทำ่อตแยกยนันนะ่นอภิชาเนี่ยอยู่ในประเภทที่ไม่ชอบ ในขณะที่เราเห็นอารมณ์ที่ดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเนี่ยมีความพอใจอยากได้สิ่งนั้นไหมเห็นรูปเห็นได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้มรสเป็นต้นและสัมผัสเนี่ยที่น้าชอบใจหน้าเวพเพลินน่ยจริงๆแล้วอยากได้สิ่งนั้นไหมทีนี้ในลักษณะของความอยากได้หรือความพยายามเหล่านั้นนะบางทีก็ได้มาด้วยสุดจริตซื้อเอาแลกเปลี่ยนด้วยความพอใจนะอันนี้เขาเรียกก็ได้มาโดยทำอันนี้ไม่เป็นอภิชานะ ไม่เป็นอภิชาแต่ถ้าพอใจอยากได้สิ่งนั้นแล้วเนี่ยเพ่งเลงอยากได้มาเป็นของของตนโดยไม่ชอบทำไม่อยากจะแลกเปลี่ยนลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าคิดหาวิธีโกงหรือขโมยใช้อุบายวิธี น, นลักษณะอย่างนี้เป็นอภิชาคือความเพ่งเลงอยากได้พันธะหรือสิ่งของเหล่านั้นมาอภิชานั้นมีลักษณะเพ่งเลงพันธะของผู้อื่นอย่างนี้ว่าฉันไหนหนอของสิ่งนี้จะพึงเป็นของเรา พิจารณาว่าไอ้ของสิ่งนี้ของสิ่งนั้นเป็นต้นน่ะทำไมจะได้เป็นของเราพิจารณาในลักษณะอย่างนี้นะเขาเรียกว่ามีใจน้อมไปไปแตะต้องวัตถุสิ่งของของเขาแล้วก็มีความอยากได้เท่านั้นแหละชื่อว่าอภิชาเกิดแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยทีเดียวเพระองค์ของอภิชานี่มีสองอย่างใช่ไหม ของของผู้อื่นหนึ่งน้อมสิ่งนั้นมาเพื่อเป็นของตน น, น้อมทางไหนน้อมทางจิตใจนะทรัพย์สมบัติของของผู้อื่นอยู่แล้วใช่ไหมแต่จิตเนี่ยคิดคิดให้เป็นของของตนทั้งๆ ท, ท, ที่ของนั้นยังไม่ได้เป็นของตนแต่อภิชาเนเกิดแล้วบางทีไปรักไปขโมยไปนั้นไปเข้ากรรมอีกฉะนั้นพิจารณาดูอภิชาเมื่อเข้าครอบงําผู้ใดแล้วก็ทําให้จิตใจของบุคคลนั้นเน่ยเกิดความโลภละโมบในทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่ น, นทีนี้ว่า ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเนะี่ยเขาหามาได้ด้วยความด้วยปัญญาด้วยความเพียรของเขาใช่ไหมไปไปมาเนี่ยเราก็ไปคิดแตะต้องคิดที่อยากจะได้มันเคยจริงๆนะไม่ต้องอะไรมากแก็หมายเด็กๆ เ, เนี่ยเห็นคนอื่นก็กินอะไรอู้อยากเห็นคนอื่นก็ได้อะไรเราไม่ได้ก็อยากได้ก็มีอย่างนั้นนะเป็นเรื่องปกติอภิชาเนี่โอ้โหทำกรรมประเภทนี้ทํากันมาเยอะก็เป็นอภิชาไปอภิชานี่ก็เกิดเนี่ยมันก็องกรอบตอนเนี่ยก้าวล่วงแล้ว เนี่ยก้าวล่วงแล้วเนี่ยแล้วก็ใช่ไงก็หมายความว่าทรัพย์สมบัติของผู้อื่นในนี้นี้มุ่งหมายเอาอวิญญาณไอหมายถึงวิญญาณที่มีใจคลองของที่มีใจคลองและไม่มีใจคลองทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ทรัพย์ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทีนี้ถ้าพิจารณาตรงนี้จะดูองค์ประกอบก่อนเรื่องนี้ตรงสหนจะถกเยอะหน่อยมนุษย์ที่เป็นธาตุเป็นผู้หญิงก็ดีเป็นผู้ชายก็ดี ผู้มีคู่มั่นดันั้นสิ่งที่นอกจากนั้นไม่จัดเป็นปราภพันธะเช่นั้นนะ่ยนะทีนี้หญิงแปดจำพวกไล่มาตามลำดับจนถึงธรมรมบัคิตานี่นะถ้าชายคนใดคนหนึ่งมีความพอใจคิดอยากได้มาเป็นภรยาของตนเองแล้วความคิดเช่นนี้ไม่จั ด, ดว่าเป็นอภิชาทุจริตโสเลยย่ามานพที่คิดอกุศลต่อมหากัดใจยีนะโดยที่คิดถึงว่าพระองค์เนี้ยถ้าได้มาเป็นภรรยาของตนเองเนะี่เนี่ยก็จะเป็นการดี เมื่อพิจารณาหรือคิดหรือลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยโสเรยะนั้นน่ยความคิดนั้นเป็นอกุศลเพศของโสเรยะนั้นก็หายไปกลายเป็นหญิงมาแทนที่การคิดเป็นอกุศลของโสเรยะมนบ น, น, นี้จัดเป็นอภิชชาได้นั้นทำอภิจารณาอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าแต่ถ้าไม่ถึงกับล่วงกรรมบทเพราะบุคคลที่โสเรยะมนบเพ่งเลงนี้ไม่จัดอยู่ในพวกปราภพันธะปราภพันธะคืออะไร ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นถ้าไปอยากได้ของของนั้นน่ะไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของใครเนี่ยมันไม่รวงมันมีนี่ใช่ไมสิ่งของที่ไม่ใช่ไม่ใช่คนครอบครองเป็นมนุษย์เป็นใน เกี่ยวในเรื่องของถ้าไปเอาไปแล้วมันไม่ล่วงนะแต่ที่ตนได้รับโทษในร่างกายเปลี่ยนเพศไป น, นั้นก็เป็นอำนาจแห่งความคิดล่วงเกินไม่คารวะต่อบุคคลที่เป็นวมืกีนา่าสมคือเพศชายของโสเรย่าหายไปกลายเป็นหญิงมาแทนการคิดเป็นอกุศลของนี้จัดเป็นจัดเป็นอภิชาได้ความคิดในลักษณะนี้เพราะเป็นธรรมรักขิตาอยูน่นะคือมีธรรมารักษาอ๋ออันนี้ท่านกล่าวว่าไม่ไม่จัดเป็นอภิชาทุกที ทีนี้ก็ต้องมาพิจารณาโดยน่ะพิชชาเนี่ยเฮ้ยพิจารณาจริงๆองค์ประกอบของเขาก็ชัดอยู่แล้วนียของผู้อื่นน้อมสิ่งของนั้นมาเป็นว่าของตนน้อมมาได้ใจเป็นแล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่น้อมคิดอยากได้เฉยๆเนี่ยไม่ครบองค์ไงใช่ไหมถ้าคิดอยากได้โอ้ยนั้นก็ดีนั้นก็งามยังไม่เป็น อ, อัพิชชาใช่ไหมแหมอย่างนี้จะต้องเนี่ยคิดน้อมบางทีถึงขนาดน้อมเลยนะบอกโอ้ยเป็นของเราแ ล, แล้วแล้วอยากเอาไปคิดเพิ่มมีความสุขด้วยแต่สิ่งนั้น ก็เป็นใช่าบอกอภิชานี่เป็นมโนกรรมเนะเป็นมโนกรรมนะฉะนั้นในลักษณะเช่นนี้นี่แหละพวกเราทั้งหลายถ้าศึกษาพระธรรมกันดีๆแล้วเดี๋ยวคำว่าสุดจริตทางกายก็จะเป็นั <c oughs> ทางกายทางวาจาและทางใจและต่อไปคำว่าสุดจริตสามก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นที่ผ่านมาการศึกษาสุดจริตสามทีปัญหาสังเกตดยทีท กรรมเหล่านี้เวลามันส่งผลในในประวัติการเนี่ยมีของอะไรคนอื่นอยากได้หมดมีอะไรบอกโอ้ยเราห่วงแต่ห่วงนี่เขาคนเรียบๆเกียงๆขอหมดเลย <laughs> อ่ะต่อไปพยาบาทธรรมชาติที่เชื่อพยาบาทเพื่อยังประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้พินาศพยาบาทคำคำนี้นี่ยประโยชน์หรือความสุขย่อมเสียหายไปด้วยโทสารฉะนั้นเน่ยเหตุนั้นเขาเรียกพยาบาทเขาพาาินาศไปด้วยโทสารพยาบาทมีลักษณะประทุษรายนะเพราะความพาาินาศของผู้อื่น พยาบาทนั้นนี่นะให้พิจารณาดูนะบ่าความไม่พอใจที่เป็นไปตามธรรมดานั้นยังไม่จัดเข้าว่าเป็นมโนทุจริตไม่จัดว่าเป็นมโนทุจริตนะเพราะเป็นเพียงแต่พยาบาทพยาปาทากายยคันถะเท่านั้นแหละ ส่วนโทสะที่เป็นพยาบาทมโนทุจริตนั้นเป็นโทสะชนิดหยาบมากมีอาการมุ่งร้ายต่อบุคคลอื่นคิดอาฆาตมุ่งร้ายต่อบุคคลอื่นมีความปรารถนาที่จะทำลายประโยชน์แล้วก็ทำลายความสุขของบุคคลอื่นให้เสียหายด้วยนะ คือเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นกับใครแล้วก็คิดที่จะกระทําต่างๆโดยความพยายามนะพยายามชนิดที่เป็นพยาบาทมโนทุจริตนี่นะมาจะคำว่าผู้อื่นก็คิดให้เขาเสียหายเกิดขึ้นเอ้ยตัวพยาบาทให้สังเกตดูนะบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจนี่นะมันจะเกิดยังไงถูกไ เวลาเราใครมาทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจแล้วก็คิดขออย่มันจงเป็นอย่างนั้นบางทีก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาผูกเรื่องเลยนะพอผูกเรื่องขึ้นมาถ้าเราไปเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะเสียหายทําอย่างนี้เราจะต้องตัดรอนหักล้านเี่ยเขาได้วิบัติไปให้ไดนะ้แต่เป็นแค่คิดแค่นั้นนะอันนี้เป็นพยาบาทแล้วเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยเพราะว่าครบ2 อ, ง, อ ง, งค์ไปแล้วคือว่าสมบัติของผู้อื่นมิจิตคิดอยากให้ เป็นของตนโดยไม่ชอบทํานั้นเป็นอภิชาส่วนพยาบาทนั้นก็คือว่าคิดความเสียหายเกิดขึ้นและก็วัฏจักเจตนาที่เกี่ยวปานาติบาตและพยาบาทวัฏกรเจตนาที่เป็นปฏิบาตนั้นเป็นเจตนาที่เกี่ยวกับทางกายจัดเข้าในวีติกามะกิเลสส่วนวัฏจักเจตนาที่เป็นพยาบาทนั้นอยู่ทางใจเจตนาที่เป็นปานาติบาตเจตนาที่จะฆ่าอันนั้นเพื่อจะทําให้ร่วงทางกายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ทำให้กายกรรมทำให้กายวิญญาตเป็นไปก็ผ่านทั้งประตูกายกายไปเลยกายทวานไปเลยแล้วก็ทําให้ข่าทําให้ประทุสลายและทํำลายเขาได้แต่ถ้าหากเป็นพยาบาทที่เป็นมโนโทุจริตในคิดให้เขาเสียหายบางทีถ้าเห็นเขารวยเนี่ยไม่พอใจเลยเมื่อไหรจะวิบัติขอให้มันจงวิบัติไปนี้งไหมถ้าเราไดทําตรงนั้นได้อย่างนี้ได้มางทีคิดเป็นเรื่องเวลาวเลยนะเขามีคู่ครองอยู่ดีๆเขาก็ไปพยาบาทเขาคิดพยาบาทเขาจะต้องให้เขา เขามีอันเป็นไปแล้วเนอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องเจ็บปวดเคยคิดเป็นเรื่องเป็นราวผูกเป็นลูกโซ่สร้างเรื่องราวต่างๆหรือเคยไหมที่พูดนี่น่าจะมีคนมีเยอะนะแบบนี้ <c oughs> เรื่องราวในลักษณายอย่างนี้มีอยู่คนๆหนึ่งเคยเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่ า, เ ว, าเวลาเวลาเกิดโกรธไม่พอใจใครทําอะไรเขาไม่ได้เนี่ย กลับมาก็มาสู้กันแล้วคือสร้างเรื่องสร้างตัวของเขาขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ของเราอีกตัวของคนหนึ่งสร้างขึ้นมาก็ต่อสู้กันแล้วอาจจะชกต่อยกันก็ได้ตีกันก็ได้ต่อสู้กันด้วยเกียร์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อุย้ยพยาบาทจะเกิดมากขนาดไห น, นมโนทุจริตแท้ๆนี่ยนี่แหละอภิชาพยาบาทใช่ไหมถ้าอโรมก็เป็นอภิชาถ้ากโกรธก็เป็นพยาบาทคบกบันมาบวด้วยนะส่งผลได้ด้วยไม่ใช่ว่ามีอย่างเดียวนะเพิ่มกําลังมากขึ้น กำลังที่เพิ่มเนี่ยมากขึ้นไม่ใช่มากน้อยน้อยเลยนะพยาบาทต่อมาก็คือว่ามาดูมิจฉาทิฏฐิเออมีเกี่ยวในเรื่องของเดี๋ดูตรงนี้ก่อนนะที่จะเกิดความโกรธที่เป็นพยาบาทนั้นกรรมบทที่ยังไม่ขาดตลอดเวลาที่ผู้โกรธยังไม่ได้คิดให้สัตว์นั้นพินาศชะไหนเนาสัตว์นี้จึงจะขาดศูนย์ไปถ้าให้เขาพินาศให้เขามีอันเป็นไปอย่างนี้เป็ น, น, นดีนะดูตรงนั้นด้วยนะแต่ถ้าพยาบาทนี่คิดประทรัดสลายบอกให้ ให้วิบัติเลยถ้ามียศก็ให้เสื่อมยศเลยมีลาภให้เสื่อมลาภเลยหรือมีคนสรรเสริญก็บอกให้คนนินทาตลอดไปเลย <c oughs> <c oughs> คิดคิดคิดเขาเสียหายกันนะให้เขาวิบัติเลยนี่ยเขากําลังได้ยศได้ตําแหน่งอยู่เนี่ยเขาเขามีออาเป็นไปเนะนะนะนะ น, นี่ยคิดรักสนิยอาฆาตเขาเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาต้องวิบัติแ น, น, น่แนสร้างกรรมแล้วเสียหายหมดเลยพ <c oughs> อจะมีอะไรขึ้นมามีแต่คนคิดพยาบาทตู้เสียหายอีกทนี้กรรมที่ทําไม่ดีไดว้เยอะบางคนนะนะ ได้ไหลขึ้นมาดูคนอื่นพากันทั้งโมทนาเป็นส่วนมากกันนะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมีทั้งดําและขาวอันต่อไปดูมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดโดยไม่มีการถือเอาตามความเป็นจริงมิจฉาทิฏฐิมีลักษณะเห็นผิดเนี่ยเห็นผิดยังไงลักษณะเดอดูความหมายก่อนความเห็นที่วิปริตความเห็นที่ผิดแผกไปจากความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตผิดแปลกไปจากความเป็นจริงลักษณะเช่นนั้นนั่นแหละเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิ ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิ การที่เราเรียนสัมมาทิฏฐิสูตรเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างดีถ้าอย่างนั้นนะถ้าไม่รู้จักเขาดีแล้วเวลาเขาเข้าสู่กระแสจิตเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นเหตุให้เราคิดผิดทําผิดแล้วก็พูดผิดแล้วเขากเสียงหายเลยเป็นทิฏฐิเจตสิกนะมีสภาพที่มีความเห็นผิดไปจากความเป็นจริงตามสภาวะและผู้ที่มีทิฏฐินี้ก็ย่อมไม่ความเชื่อไม่มีความเลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจ้ากลุ่มบุคคล น, นี้ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อคนดีทั้งหลายไม่เชื่อเลยเพราะเขามีความเห็นผิด ฉะนั้นความประพฤต์เป็นไปตรงกันข้ามเนี่ยกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นก็เรียกมิจฉาทิฏฐินะมีประเภทสักกายทิฏฐิถ้าเป็นสักกายทิฏฐินี้ยึดมั่นขันห้าเอาขันห้ามาตั้งแล้วก็คิดให้ได้สอย่างต่อขันหนึ่งอย่างก็รวมเป็นสักกายทิฏฐิใน20อย่างอย่างนั้นคิดยังไงว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูป รูปอยู่ในเราแล้วก็เราอยู่ในรูปอย่ีกสี่อย่างไหมเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเราอยู่ในเวทนาเวทนาอยู่ในเราการเสวยอารมณ์ น, น, นั่นเองสัญญาสังขารวิญญาณก็เนยะอย่างนั้นแหละก็ให้พิจารณาอย่างนั้นสังขารเป็นเราเราเป็นสังขารสังขารอยู่ในเราเราอยู่ในสังขารได้20่สิบมคิดให้ได้อย่างนี้เขาเรียกเป็นสักกายทิฏฐิยึดมั่นขันค่ะอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นตัวเป็นตนส่วนมิตร ชาทิฏฐิอีกอย่างที่แสดงไว้ในพรหมชาลสูตรนะั้นมีหกสิบสองบรรดาเจ้าลทัทธิเจ้าทิฏฐิทั้งหลายในะแยกตัวออกมาเยอะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าอมิจฉาทิฏฐิที่เป็นรุนแรงก็ประเภทนัตถิกาทิฏฐิอหิตุกาทิฏฐิอักเริยาทิฏฐินี่ความเห็นประเภทนี้น่ากลัวมากองค์ของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะดูองค์ของเขาองค์ประกอบของเขานะั่ยคือการว่า เรื่องที่ผิดจากอาการที่ยึดถือปรากฏขึ้นแห่งเรื่องนั้นไม่เป็นไปอย่างที่มิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้นยึดถือมีองค์ประกอบสองประการจะมีอะไร ชาติพิทุกข์จราพิทุกขาวิญญาณพิทุกขมรณพิทุกข์อยมพยโญกุุกโขปิยวิยโุ ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการบรรยายธรรมจากทานอาจารย์ประลสมบพระกรมโวัดกลาอําเภอบางกลาจังหวัดสุพรรบุรีเรื่องสัมมาทิฏฐิสูตรชุดที่หนึ่ง และท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังสัมมาทิฏฐิสูในชุด ต, ต, ต, ต่อไปในโอกาสหน้าขอความสุขสวัสดีจงมีกับทุกทุกท่านสวัสดีครับโอโรบวิค้านันดิรากสหกตาตักรัตตราวินันดี เสียที่รำความตัณหาบั้บตัณหาวิบัตัณหาดัมขปัญหาบิคเวดัมขปเว ด <Elena? S 2> ุ क ्ห न ि र ิโรธ र อริยสัจธร त มโยตัสสาเหตุตัณหาแห่งอาศัยสัตว์ไร้กนิโรธจากปัจินสโกมุตติอนย इ द ंัो प न भ ि क ्ห व े इ द ंอो प न भ ि क ् व ้ व े द ुหาเบื้องดุขหนีโรดหกรรมนิปฏิปดจ อายเมวาอะริโยอัทถังดิโกมะโกเสยยติดัมสัมมาดิสัมมาสังคปรสัมมาวาจา Samma kammanto, ajiv, sama ajivo, sama b a y a m o sama sati, sama sama.